สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสีบานะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชีวิตพระเยซูตอนที่หนึ่งร้อยเก้าสิบสี่เรื่องอุปมาเกี่ยวกับการเสด็จมาตอนที่สามครับพระเจนะของพระเจ้าในเช้าวันนี้อยู่ในมัทธิวบทที่ยี่ห้าข้อหนึ่งถึงข้อสิบสามมัทธิวบทที่ยี่สิบห้าข้อหนึ่งถึงข้อสิบสามเรื่องคําอุปมาสาวภูมจารีสิบคนโปรดฟังพระเจนะของพระเจ้า เมื่อถึงวันนั้นแผ่นดินสวรรค์จะเปรียบเหมือนหญิงพมจารีสิบคนถือตะเกียงของตนออกไปรับเจ้าบ่าวเป็นคนโง่ห้าคนเป็นหญิงมีปัญญาห้าคนฝ่ายคนโง่นั้นเอาตะเกียงของตนไปแต่หาได้เอาน้ำมันไปด้วยไม่คนที่มีปัญญาได้เอาน้ำมันใส่กาไปกับตะเกียงของตนด้วยเมื่อเจ้าบ่าวยังช้าอยู่ก็พากันง่วงเหงาและกลับไป ขั้นเวลาเที่ยงคืนก็มีเสียงร้องมาว่าเจ้าบ่าวมาแล้วจงออกมารับท่านเถิดพวกหญิงพรมจารีเหล่านั้นก็ลุกขึ้นตกแต่งตะเกียงของตนพวกที่โง่นั้นก็พูดกับพวกที่มีปัญญาว่าขอแบ่งน้ํามันของท่านให้เราบ้างตะเกียงของเราจวนจะดับแล้วพวกที่มีปัญญาจึงตอบว่าน่ากลัวน้ํามันจะไม่พอสําหรับเราและเจ้าจงไปหาคนขายซื้อสําหรับตัวเองจะดีกว่า เมื่อกําลังไปซื้อนั้นเจ้าบ่าวก็มาถึงผู้ที่พร้อมอยู่แล้วก็ได้ไปกับท่านในการเลี้ยงเนื่องในงานสมรสแล้วประตูก็ปิดภายหลังหญิงพมัญจารอีกห้าคนก็มาร้องว่าท่านเจ้าข้าท่านเจ้าข้าขอเปิดให้ข้าพเจ้าเข้าไปด้วยฝ่ายท่านตอบว่าเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าเราไม่รู้จักท่านเหตุฉะนั้นจงเฝ้าระวังอยู่เพราะท่านทั้งหลายไม่รู้กําหนดวันหรือโหมงนั้น นครับมีวันหนึ่งพระเยซูจะเสด็จกลับมาครับและพระเยซูขณะที่ทรงอยู่ในโลกในสัปดาห์สุดท้ายนั้นทรงได้ตรัสไว้ในพระธรรมยอห์นบทที่สิบสี่ข้อที่หนึ่งถึงข้อที่สามดังนี้อย่าให้ใจท่านทั้งหลายวิตกเลยท่านวางใจในพระเจ้าจงวางใจในเราด้วยในพระนิเวศของพระบิดาเรามีที่อยู่เป็นอันมากถ้าไม่มีเราคงได้บอกท่านแล้ว เพราะเราไปจัดเตรียมที่ไว้สำหรับท่านทั้งหลายเมื่อเราไปจัดเตรียมที่ไว้สำหรับท่านแล้วเราจะกลับมาอีกรับท่านไปอยู่กับเราเพื่อว่าเราอยู่ที่ไหนท่านทั้งหลายจะได้อยู่ที่นั่นด้วยพี่น้องครับพระเยซูได้ให้คำมั่นสัญญาให้กับเราทุกๆคนว่าในพระนิเวศของพระเจ้าพระบิดาของเรานั้นมีที่เพียงพอสาหรับเราทั้งหลายทุกคนซึ่งเป็นลูกของพระองค์ มีเพิ่มพีหลายตอนที่พยากรณ์ถึงเวลาที่พระเยซูจะเสด็จมาก็จะมีคำเตือนนะครับมีสงรา ม, มีการกระดานอาหารมีแผ่นดินไหวมีผู้เผยเพร ะ, ะ, ะเจ้เทศแล้วก็มีหลายสิ่งหลายอย่างครับซึ่งเราได้เรียนรู้ไปแล้วแต่ในเรื่องหญิงพมจารีสิบคนนี้พระเยซูทรงสอนถึงความสำคัญของการเตรียมพร้อมมีคำอุปมาอีกตอนหนึ่งครับในบทที่ยี่สิบห้า ของมัทธิวนี้เกี่ยวข้องกับเงินตะลันซึ่งเราจะพูดในวันพรุ่งนี้ต่อไปนงครับในวันนี้ให้เรามาดูในคําอุปมาเรื่องหญิงพมจารีสิดคนนี้คําอุปมานี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับประเพณีการสมรสซึ่งพระเยซูทรงเปรียบเทียบแผ่นดินสวรรค์กับหญิงพมจารีสิดคนที่กําลังถือตะเกียงรอคอยขอบวนแห่ของเจ้าบ่าวคนที่รู้เรื่องนี้นะครับ รู้เกี่ยวกับประเพณีการแต่งงานของคนยิวจะเข้าใจความหมายนี้อย่างชัดเจนครับเพราะว่าการแต่งงานตามประเพณีของคนยิวนั้นจะประกอบด้วยสามขั้นตอนครับขั้นตอนแรกก็คือช่วงของการสู่ขอซึ่งเป็นพิธีที่จัดเป็นทางการโดยบิดาของเจ้าบ่าวเจ้าสาวขั้นตอนที่สองคือพิธีมั่นพิธีนี้จะจัดขึ้นในบ้านบิดาเจ้าบ่าวเจ้าสาว เจ้าบ่าวเจ้าสาวจะทำสัญญากันครับต่อหน้าผู้ปกครองพ่อแม่ของเขาและก็มีพวกพยานซึ่งเป็นญาติพี่น้องเจ้าบ่าวจะมอบของมั่นให้กับเจ้าสาวในช่วงปีนั้นหลังจากพิธีมั่นทั้งคู่ยังไม่ได้อยู่ด้วยกันครับอย่างไรก็ดีถ้าสมมติว่าเจ้าบ่าวนั้นเสียชีวิตในช่วงนี้ก็ถือว่าเจ้าสาวนั้นเป็นแม่ไมถ้ามีการยกเลิกสัญญามั่นกันการหย่าร้างก็เกิดขึ้น พี่น้องครับเรื่องนี้เกิดขึ้นกับโยเซฟและมารีครับซึ่งเป็นคุณพ่อคุณแม่ของพระเยซูแด้วยเหตุนี้เองทําให้เรารู้ว่าโยเซฟมารีนั้นได้ผ่านช่วงเวลาแห่งความเชื่อนะครับซึ่งเขาต้องใช้เพราะว่าพระมปีได้พูดชัดเจนว่ามารีและโยเซฟเขามั่นกันอยู่ครับต้องรอเวลาขณะที่มั่นกันอยู่นั้นพระวิ ญ, ญญาณบริสุทธิ์ก็เสด็จเข้ามาในร่างกายของมารีและก็ ปฏิสนองพระเยซูคริสต์พี่น้องครับเมื่อเราเข้าใจเรื่องนี้เรากลับมาในเรื่องของหญิงพรมจารีหลังจากการมั่นหนึ่งปีนะครับก็จะทำพิธีสมรสเจ้าบ่าวและเพื่อนของเจ้าบ่าวจะไปที่บ้านของเจ้าสาวเพื่อรับเจ้าสาวปกติแล้วจะมีหญิงพรมจารีหลายคนเป็นเพื่อนของเจ้าสาวเพื่อรอคอยเจ้าบ่าวมารับที่บ้านหญิงพรมจารีนี้ก็จะร่วมในขบวนแหด้วย ทั้งเจ้าบ่าวและเจ้าสาวก็จะออกจากบ้านของเจ้าสาวและไปยังบ้านของเจ้าบ่าวเพื่อทั้งสองนั้นจะใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันโอกาสเช่นนี้ครับเป็นโอกาสหรือว่าเป็นเวลาแห่งความสุขสนุกสนานและโอกาสของการเฉลิมฉลองครับคู่บ่าวสาวอาจจะต้องเดินทางเป็นระยะไกลระยะทางไกลพอสมควรเพราะว่าขึ้นอยู่กับว่าบ้านของเจ้าบ่าวนั้นอยู่ห่างจากบ้านของเจ้าสาวขนาดไหนพี่น้องครับเมื่อพูดถึงเรื่องนี้ผมก็คิดถึง ประเพณีของคนจีนในเมืองไทยที่เราแต่งงานกันก็เป็นคล้ายๆคานองนี้ครับเราจะต้องเดินทางไปรับเจ้าสาวก็จะมีการกั้นเจ้าสาวของบรรดาหญิงสาวพมจารีนะครับและก็จะมีการติดตามขบวนเจ้าบ่าวมาที่บ้านของเจ้าบ่าวเพื่อที่จะทำพิธีแต่งงานกันต่อไปพี่น้องครับหญิงพมจารีส0บคนที่กล่าวถึงในข้อหนึ่งนี้กาลังมารอพบเจ้าบ่าวขบวนเจ้าบ่าว งานสมรสนั้นจัดขึ้นในเวลากลางคืนเพราะฉะนั้นหญิงพู้มาจารีต้องถือตะเกียงมาด้วยครับหญิงพู้มาจารีห้าคนเป็นคนฉลาดอีกห้าคนเป็นคนโง่อุปมาในช่วงต่อไปจะอธิบายว่าทําไมถึงเป็นอย่างนั้นเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าหญิงผู้มาจารีนี้จะต้องถือตะเกียงนะครับหญิงผู้มาจารีฉลาดก็เอาน้ํามันใส่กลาใส่กลาไปด้วยเพื่อที่จะเติมครับเพราะไม่มีใครรู้ว่าเจ้าบ่าวจะมารับเจ้าสาวเวลาไหนอาจจะเป็นเวลาที่ดึกมากของคืนวันนั้นก็ได้แต่เนื่องจากว่า บ้านของเจ้าบ่าวอาจจะไกลนะครับในคําประมาณนี้เพราะฉะนั้นจขบวนของเจ้าบ่าวนั้นก็มารับเจ้าสาวช้านะครับหญิงพมาจารีทั้งสิบคนก็ง่วงหลับไปจริงๆเขาไม่ได้ขี้เกียจนะครับเพราะว่าเป็นเรื่องปกติที่ทุกคนจะต้องล่วงง่วงนอนง่วงเหงาหานอนเมื่อเกือบถึงเวลาเที่ยงคืนโดยเฉพาะผู้หญิงต้องตื่นเช้าในทุกๆวันเพื่อทํางานเช่นตักน้ํทำทาขนมปังซักเสื้อผ้าพอเวลาเที่ยงคืนปั๊บ พวกเขาก็ได้ยินเสียงขบวนเจ้าบ่าวมีเสียงประกาศว่าเจ้าบ่าวมาแล้วจงออกมารับท่านเถิดออกมารับท่านเถิดเมื่อคนทางฝ่ายเจ้าสาวได้ยินประกาศนี้ก็แสดงว่าถึงเวลาแล้วพวกเขาต้องเตรียมพร้อมครับเขาต้องสะดุ้งตื่นทั้งสิทคนเลยนะครับและในข้อที่เจ็ดก็กล่าวว่าพวกเขานั้นก็ตกแต่งตะเกียงของตนหมายความว่าจัดไส้ตะเกียงใหม่เพื่อให้เปลวไฟนั้นลุกสว่างโชดช่วงนะครับหญิงพมาจารีโง่เขาก็ปรากฏว่ารู้ตัวครับว่า ตะเกียงของเขาเนี่ยจวนจะดับแล้วจึงขอแบ่งน้ํามันอยากหญิงพมจารีอีกห้าคนที่ฉลาดพี่น้องครับไม่มีใครอยากจะออกไปที่ถนนนะครับในดาวเทาวของปาเลสไตน์ตอนกลางคืนโดยไม่มีแสงสว่างครับ <c oughs> ไม่มีใครรู้ว่ากระบวนของกู้บ่าวสาวจะต้องใช้เวลานานแค่ไหนก่อนจะถึงเวลาเลี้ยงสมรสเพราะฉะนั้นหญิงพมจารีที่ฉลาดจึงปฏิเสธคําร้องปฏิเสธคําขอร้องของหญิงพมจารีคนโง่เพราะว่า ไปของเขานะครับตะเกียงของเขาเนี่ยต้องถูกจุดนะครับจนกระทั่งถึงเวลาเลี้ยงสมรดเขาพูดในข้อที่เก้านะครับว่าน่ากลัวน้ํามันของเราจะไม่พอสําหรับเจ้าจงไปหาคนขายซื้อสําหรับตัวเองดีกว่าหลายและคนอาจจะคิดว่าคําเนี้เป็นคษษําปฏิเสธเป็นการหยาบคายหรือเห็นแก่ตัวแต่พี่น้องครับเราต้องเห็นใจบรรดาหญิงพรมจารีทั้งห้าคนที่ว่าเป็นหญิงฉลาดนั้นถ้าพวกเขาแบ่งน้ํามันและน้ํามันนั้นหมดก่อนที่จะสิ้นสุดคืนนั้น ก็จะไม่มีแสงสว่างสำหรับฝ่ายเจ้าสาวพวกเขาฉลาดพอที่จะเก็บน้ำมันสำรองไว้ในขณะที่พวกเขาเข้าไปในหนมู่บ้านนะครับหญิงพมัญจารีห้าคนที่โง่เขานั้นเข้ามาในหมู่บ้านเพื่อหาซื้อน้ำมันปรากฏว่าเมื่อเจ้าบ่าวมาถึงงานเลี้ยงสมรสก็เริ่มขึ้นแล้วยิงเข้าไปไม่ได้ครับเพราะว่าประตูปิดหญิงพมัญจรีกลับมาพบว่า ป, ประตูปิดพวกเขาก็ร้องเสียดายเสียใจ พระเยซูสรุปกคำอุมายนี้ด้วยถ้อยคําเหล่านี้ที่ว่าเหตุฉะนั้นจงเฝ้าระวังอยู่เพราะท่านทั้งหลายไม่รู้กําหนดวันหรือโมงนั้นในฐานะที่เป็นเจ้าบ่าวนะครับพระเยซูทรงเป็นเจ้าบ่าวโปร่งเปรียบเทียบงานสมรสกับการเสด็จมาครั้งที่สองของพระองค์เองเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายซึ่งอจกคอยเป็นเจ้าสาวของพระเยซูนะครับขิตสจักริตจักนั้นเป็นเจ้าสาวของพระเยซูเราต้องเตรียมพร้อมนะครับสําหรับเวลาที่ อาจจะไม่ได้คาดคิดมาก่อนพี่น้องครับเราเตรียมพร้อมหรือเปล่าครับน้ำมันในตะเกียงนี้สามารถเปรียบได้กับทรั พ, พยากรทางจิตวิญญาณก็เรียกว่า spiritual resources นะครับทรั พ, พยากรทางจิตวิญญาณแต่ก่อนที่เราจะมีทรั พ, พยากรทางจิตวิญญาณนะครับสิ่งที่ผู้หญิงภูมจารีทั้ทงสิบคนจะต้องทําก็คือว่าต้องจุดตะเกียงของเขาขึ้นมาก่อนใครก็ตามที่เชื่อว่าพระเยซูเป็นพระบุตรของพระเจ้า พระเยซูทรงสิ้นพระชนเพื่อไถ่าบาปของเราเขามีความศรัทธามีความเชื่อมั่นในพระเยซูเขารับเชื่อในพระเจ้าต้อนรับพระเยซูเข้ามาในชีวิตของเขาให้เป็นพระผู้ช่วยรอดและเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าพวกเขานั้นได้เป็นบุตรของพระเจ้าคนๆ น, นั้นในชีวิตของเขานนั้นจะมีแสงสว่างของพระเจ้าอยู่เพราะว่าพระเยซูทรงเป็นความสว่างของเขาพี่น้องครับพระเยซูบอกว่าเราทั้งหลายก็เป็นความสว่างของโลกด้วยเช่นเดียวกัน พี่น้องครับความรอดของเรานั้นจะยังไม่สมบูรณ์จนกว่านาทีสุดท้ายในชีวิตของเราและความรอดนั้นไม่สามารถขอยืมจากคนคนอื่นได้ดังเช่นหญิงพมจารีโง่เขานั้นจะขอยืมน้ำมันไม่มีใครรู้ครับว่าเมื่อไหร่ประตูสวรรค์จะปิดลงไม่มีใครรู้ครับว่าเมื่อไหร่เวลาของโลกเวลาของเขาบนโลกนี้ก็จะสิ้นสุดลงเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นคนคนหนึ่งจะต้องรับความรอดและรีบจุดตะเกียงของเขาโดยไม่รอช้า พี่น้องครับพระเยซูตรัสว่าท่านหลายจงเตรียมตัวไว้ให้พร้อมเพราะในโมงที่ท่านไม่คิดไม่ฝันบุตรมนุษย์จะเสด็จมาเราจะต้องรีบกับใจใหม่รีบทําอะไรอะไรที่เราตั้งใจไว้ให้สําเร็จรีบเตรียมสเบียงไวเลี้ยงตัวเองรีบจุดตะเกียงรีบรับใช้รีบส่องสว่างเลิกหลงมัวเมาเลิกผูกพันชีวิตกับสิ่งที่ไม่มีค่าถาวรนิรันเลิกการโลภ ให้เรารู้จักตัวเองรู้จักพระเจ้ารู้จักโลกนี้โดยผ่านทางพระวจนะของพระเจ้าและความรู้นั้นเป็นความรู้ที่ถูกต้องที่สุดถ้าเป็นความรู้อันเกิดจากพระวจนะของพระเจ้าและเราสามารถที่จะเชื่อมัน่นศรัทธาได้ว่าสิ่งต่างที่เรารู้เราสามารถปฏิบัติได้และผลจะเกิดขึ้นตามพระสัญญาของพระเจ้าตลอดไปขอพระเจ้าอวยพรและช่วยเหลือพี่น้องที่รักทุกท่านในการเลิกนะครับในการรีบ และในการรู้ทุกสิ่งทุกอย่างในวันนี้ขอให้เป็นพระพรของพระเจ้าที่หลั่งไหลมาถึงชีวิตของพี่น้องทุกๆท่านอาเมน